ไปพึงพากันตั้งใจนำรวมใจของตนให้ดีให้นึกว่าเรามาอยู่วัดวาสน า, านี้ก็ามาฝึกตนไม่ใช่มาอยู่เฉย ทั้งเครือหัดทั้งนักบวชเหมือนกันเข้ามาในวัดในวาแล้วก็วต้องฝึกตนนะเพราะในวัดนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความต้องการปรารถนาเช่นเงินทองเข้าของอะไรบ่เงินบ่อทองอนี่ไม่มี มีแต่เป็นสถานที่สงบสงัดน่ารื่นรมบันเทิงแก่ผู้ที่มุ่งต่อความสงบส ง, งบเป็นส่วนมากดังนั้นเราทุกคนที่มาอยู่ในวัดวาศาสนานี้ ก็ให้เพิ่งเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้แล้วก็พยายามทําตนให้สงบประงับให้ได้สงบภายนอกได้แก่สงบกายสงบวาจาจากโทษต่างๆได้แก่เว้นจากพุทธวญญัติที่ตนได้สมทานแล้ว ตามเพศตามภูมิของตนสงบภายในก็ได้แก่การทำจิตใจให้สงบจากนิวรทั้งห้าคือความ ร, รักความชังค ว, ความง่วงเหงาหาวนอน ความพุ่งส้านลำคาญจิตใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปุลคุณโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์อย่าจะให้กิเลสตอนนี้มันครอบงาจิตใจหากกิเลสตอนนี้ครอบงาจิตใจแล้วใจก็สงบไม่ได้ก็ต้องสำรวจกวดการดูในใจของใครของเรา ในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่จิตตรงนี้เป็นยังไงมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่ามันคิดสงสัยไปทางไหนมันก็รู้ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวดีด ถ้ารู้ว่ามันคิดสงสายไปก็แสดง ว, ว่าสติมันอ่อนสติที่ควบคุมจิตท้ามจิตนั้นมันอ่อนก็เราก็บำรุงสติให้มันเข้มแข็งเข้าไปคือเพ่งจิตรละลึกเข้าไปหาที่จิต คือความรู้สึกอันนั้นโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นทางเพ่งเพ่งเข้าไปในขณะที่เพ่งเข้าไปอย่างนั้นนะกิเลสมันต่อต้านมันจะทำให้จิตนี่วันไหวเมื่อเราเพ่งไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปจิตมันก็ไม่หว่่นไหวกิเลสมันก็สู้อานาจสมาธิไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปถ้าใครไม่อดไม่ทนไม่พยายามเพ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วคิตสงบไม่ได้เลย กิเลสมันมาชวนให้จิตคิดไปโน้นคิดไปนี่อยากได้อันนั้นอันนี้มันยึดเรื่องใดไว้มันก็พุ้งก็แต่งเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าอุปมาเหมือนอย่างคนขับรถเมื่อมันสติมันเลื่อนลอยแล้ว มันก็ไม่รู้จักบังคับรถให้วิ่งไปตามทางที่ถูกต้องได้บางทีวิ่งวิ่งอยู่ทางซ้ายมันก็เฉยไปข้างขวานั้นมันผิดทางแล้วเป็นงั้นมันก็มักจะมีอุบัติเหตุชนกันถึงซึ่งความเสียหาย อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นน่ยจิตนี้ถ้าขาดสติควบคุมสติอ่อนแอแล้วจิตนี้มันก็สงบอยู่เป็นปกติไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญญากำกับจิตเลยไม่มีปัญญาจะมาสอนจิตสุดระาจะกิเลสมันจะจูงไปยังไงมันก็ไปตามมัน กิเลสมันจูงให้โรคมันก็โรคไปมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีชิ้นสุดกิเลสมันจูงให้โกรธก็โกรธไปเรื่องไม่ดีไม่งามันกระทบกระทั่งมามันก็ทนไม่ไหวอืมก็โกรธไปอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่า สติอ่อนแอห้ามจิตไม่อยู่ไม่ฝึกจิตมาแต่ก่อนไม่ฝึกจิตให้สงบจากอารมณ์ต่างเหล่านั้นมาแต่ก่อนวนไหวเรื่อยๆมาพอมันกระทบอย่างแรงเข้าก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจา อันนี้มันสำคัญมากผู้ปฏิวัติทำไมอย่าไปเฉยเมยต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นโดยความเป็นจริงคือเพราะว่าจิตใจที่มันสงบระ ง, งับไม่ได้กับอาัซ ก, กิเลตนี่นมันลบควรเอาไอ้ตนไม่มีกำลังพอทีอ่จะต้านทาน อิเลดได้เรื่องมัน้นะกาลังใจอ่อนแอกระเพาะสมาธินั่นแหละคือมันไม่ตั้งมั่นลงไปที่มันไม่ตั้งมั่นก็เพราะสติมันอ่อนอืสติไม่เคยห้ามจิตพอมีเรื่องไม่ดีกระทตกกระทึกมาเมื่อกึบงืง้อขุณเครื่องใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่คิด จะระ ง, งับมันขวาคุณเครืองอันนั้นนะจะปล่อยให้มันเผาจิตให้เราร้อนไปอยู่นั้นบางทีมันก็ไม่ได้แสดงออกทางวาจาหรือการทางกายแต่มันก็ขุนอยู่ในจิตนั้นถ้นเมื่อมันเผลอๆตัวมันมีเรื่องไม่ดีกระเทาะเข้ามามันก็ระเบิดออกมา เนื่องจากมันไม่ได้กำหนดละ้าผู้มี ส, สญญติสัมปชัญญะอยู่หากว่าเผลอไปกิริยาการของกีดมันแสดงออกอย่างนั้นก็รู้ตัวได้แล้วก็รีบระงับเลยรีบกำหนดใจละอารมณ์อนั้นเสีย โดยระงับโดยทางปัญญาวิปัสสนามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เที่ยงอะไรเกิดแล้วดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไระมันต้องรังับด้วยทางวิปัสสนาเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วอย่าไปคมกิเลสไว้เฉย มันต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องที่บังเกิดขึ้นอมให้รู้ว่าตนหลงก็รู้ว่ามันหลงมันเผลอเมือม่อเมื่อตนไม่หลงตนรู้อยู่ก็รู้ว่าตนรู้ตนละมันแล้วก็รู้ว่าตนละนี่ความรู้อันนี้นะต้องบำรุงให้มัน แกกล้าขึ้นถ้าไม่ใช่นั้นแล้วก็บรรเทากิเลสไม่ได้เลยเนื่องจากไม่รู้นี่เองเลยเวลากิเลสมันกุ้มลุมเข้ามาเราลืมตัวมันถึงละมันไม่ได้นี่สำคัญมาก แต่เหมือนอย่างคนขับรถถ้าพ อ, พอรถมันเฉยไปหน่อยหนึ่งมันรู้ตัวได้อย่างมันก็ด้บวกเข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้ไม่ทันได้เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าไม่รู้ตัวในขณะที่มันรถมันออกนอกทางแล้วมันก็ไม่มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้ว ไปชนกับรถอื่นเพราะทางมันจำกัดข้ออุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมีสติสมบัตชนะ อ, อนแอมีสมาธิอ่อนจิตใจก็ไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นรว ม, มการวกควบคุมจิตก็น้อย ไม่ทีห่างมเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่ามีเรื่องไม่ดีไม่งามภายนอกกระทบเข้ามามันจิตไม่มีสติห้ามประคับประกองอยู่แล้วมันก็วันไหวไปตามเรื่องนั้นๆเลยสำคัญผิดคิดว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทาไม่ดีกับเรา อย่างนั้นนะมันก็เลยเห็นผิดไปอย่างนั้นหมายควาะว่าเห็นผิดไปไม่ตรงกับปรัชญธรรมอืมแต่ถ้าสมมุติของโลกแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตาหูจมูกเล่นกายมือเท้าต่างๆนื้ เสียงต่างๆที่เปล่งออกมาพวกนั้นเพาะเป็นของเราของเขาอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะห้ามจิตไปอยู่มันเื่อมาเจริญวิปัสสนาในบ่อยๆเพ้งพิจนาตาหูจมูกกรีนกายมือเท้าต่างๆพวกนี้นะมันเป็นยังไง แต่ทุกคนมันก็รู้อยู่นั่นแหละผู้สนใจในธรรมะนะรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพียงรู้ตามตำราเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เลตเขาไม่ระ ง, งับไม่เกิดนิพพิทาโกเบือนาย พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในพระธรรมคุณโอปานายโกให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจอันนี้แล้วมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงก็ความจริงของขันธ์อ่ามันก็ไม่เที่ยง มันแปลโพนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เพียนไปตามใจหวังไอความจริงของธาตุขันธ์หน้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แต่จิตมันไม่ยอมรับจิตที่หลงที่เมานะ่ะมันสำคัญว่าแต่เป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นนะ ไอ้ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้นะเราต้องบําเพ็ญให้สม่ำเสมอให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทําทการงานอะไรต่ออะไรก็ต้องมีสติสมบูรณญยะ เระคับประคองความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจเสมอให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันปรากฏอยู่ในใจอยู่ยนั้นเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้เวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันหรือมีเหตุดีหรือไม่ดีก็ช่างแหละ หมาวว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นนสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกกลิ้นกายใจแต่นี้มันมันก็รู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แพรพวนแจกกลับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเขาเป็นเราไม่มีเราต้องฝึก จิตใจนี่ให้คิดให้นึกให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอเสมอไปนี่นะการเจริญนิพพานะ่ะอย่าสักแต่ว่ารูปมากระทบตาแล้วก็ให้มันผ่านไปเฉยยินดีไปตามมันยินร้ายไปตามมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลย เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันก็ปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบลิ้นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปตามสัมผัสด้านนั้นเลยอยู่อย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกตนนะ้นไม่ได้เจริญสมถะวิปัสนาอะไรผู้เจริญสมถะวิปัสนาต้องพยายามต้องพยายามควบคุมจิตนี้ให้ได้ เดี๋ยวว่าประคองกิจนี้อยู่เสมอตลอดทุกอิริยบทอย่างที่ว่านั้นทำความรู้ตัวอยู่ระมัดระวังเหตุภายนอกว่าจะมากระทบกระทั่งเอาอืต้องระวังอยู่เสมออย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อธาตุสีกันห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับมันก็ต้องได้สัมผัสกับโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นเลย ตามันก็ได้สัมผัสกับรูปทั้งรูปดีรูปชั่วหูมันก็ได้สัมผัสกับเสียงดีเสียงชั่วจมูกมันก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเหม็นกิ่นหอมลิ้นมันก็ได้สัมผัสกับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสขมรสเค็มรสเปรี้ยวสุดแล้วแต่ เอาอาหารมีรสชนิดในชนิดใดเข้าไปมันก็รู้ทั้งนั้นเลยกายมันก็จำเป็นต้องได้สัมผัสกับเย็นกับร้อนอ่อนแข็งอยู่เสมอไปอันนี้ผู้เจริญธรรมะสัยปุสนาก็ฝึกจิตนี่แหละให้มันเห็นความเกิดความดับของ สิ่งต่างๆอายตนะภายในายภายนอกที่มากระทบกันอยู่นี่ตลอดเวลาก็ต้องกาหนดให้รู้ว่ามันเกิดบรรดับบรรแปรพวนมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เราต้องกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆไปฝึกสติฝึกปัญญาให้คล่องแคล่วให้เจริญไปเรื่อยๆอ จนมันมีความรู้ความเห็นขึ้นในใจเสมอเสมอว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตซูนโยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลทาตุมัตตะโกเป็นแต่สักวะธ า, าตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกกลับทำลายลง เวลาเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่เช่นร่างกายอันนี้กรรมชะลูกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปกายอันนี้มันเกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทามาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้ได้อาศัย กรรมที่ตกแต่งรูปร่าง น, นี่มันก็ไม่เที่ยงมีขอบเขตแล้วตกแต่งให้มาแล้วมันก็รักษาไว้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนะั้นมันรักษารูปร่างอันนี้ไม่ให้แเร่นไม่ให้แตกดับไปก่อนขั้นพอว่าเหตุปัจจัยดังกล่าวานี่มันลอยหลอลงไปมันชา มันใกล้จะหมดเข้าไปรูปกายอันนี้มันก็ชำรุดรุดทดมไปข้าเหตุปัจจัยอ น, นี้มันหมดลงจริงจริงมันก็ดับมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี่แหละที่พระเจ้าว่ารูปังอริจังรูปมันไม่เพียงเพราะมันอาศัยเหตุอันไม่เพียงปัจจัยไม่เพียงมันมีขอบเขต เหตุปัจจัยคือบุญและบาปแล้วมันหมดลงเมื่อได้รูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้อืมก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อยู่เสมอๆไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งแล้วแล้ ว, ลวไปนะต้องพิจารณาเรื่อยๆต้องให้มันอ่าบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจมกระจานขึ้นมาเรื่อยๆอ พระพุทธเจ้าทร ง, งตัดว่าบะหุรีกะโตทำให้มากกระเริญนให้มากอภินญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งสัมโมทายะจะเป็นไปเพื่อความตัดสรุ้หรือบรรลุความจริง ให้ได้นิพพานายา จ, จะจะเป็นผู้ดับหมายความว่าดับราคะดับโทสะดับโมหะจากกิตใจนี่หมดเลยกิเลสเหล่านี้ย่อมดับจากกิตใจหมดอเมื่อพี่นะให้มากๆเข้าไปนะอกิเลสเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้ มันค่อยดับไปทีละน้อยเลืนน้อยไปเพราะว่าอินทรบารมียังอ่อนอยู่จะไปพิจารณาให้รู้เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วกิเลสนี้มันจะดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีขึ้นอยู่กับปัญญาอาน บุญบา ร, รมีบรรดาลให้เกิดปัญญายาความรู้ยิ่งอย่างนี้นะถ้าบุญบา ร, รมีน้อยปัญญามันก็น้อยความรู้ความเห็นในธรรมของจริงมันก็น้อยมันก็ปรากฏมาอยู่ช่วระยะหนึ่งมันดับไปก็มไม่รู้ก็เกิดขึ้นมานี่คนมีบา ร, รมีอินทรียังอ่อน การที่อินทรีย์มันจะแก่กล้าได้เพราะว่าเราจเจริญอยู่บ่อยๆอย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ยพี่เจรนาอยู่งั่นอย่าให้มันเห็นว่าคนเป็นคนจริงๆหญิงเป็นหญิงจริงๆชายเป็นชายจริงๆอย่างนี้อย่าให้มันเห็นอย่างนั้นให้มันเห็นอยู่ในใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เป็นเดียเพียงธาตุสี่ขัน5ห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็วิบัติแปรปรวนไปเดี๋ยวก็เจ็บน้นปวดนี่เดีอยวก็ฟันชำรุดอา้าวปวดฟันต้องไ้ถอนฟันทิ้งไปเดียวก็ ปวดศรีรษะเดี๋ยวก็ปวดท้องอเดี๋ยวก็ปวดหัวเขา่าคนอายุมากเข้ามาแล้วหัวเขาน้ําไข่ข้อที่มาเลี้ยงหัวเข่ามันแห้งไปหัวเข่านี่ก็เลยไม่มีกําลังลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ ไม่มีกำลังขอยแต่จะหกล้มคนแก่มักที่มันหกล้มมือ่มันเป็นอย่างนี้แหละขาดสติสัมปชัญญะและ้วมาระวังตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายอ่อนแอหนึ่งนั่ น, นโดยเฉพาะกระดูกหัเข่าเนี่ยมันไม่มีกำลัง น้ำใส ข, ข้อที่เรอเลี้ยงมันแห้งไปนี่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็แปรพูนให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรไอ้ผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะปรากฏได้เป็นบางคนแหละความมีบาดแปรพวนของร่างกายนี่ แต่บางคนก็อาจจะยังอยู่ปกติอยู่ถึงปกติได้มันก็ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ดังที่ลงมองดูคนที่เกิดก่อนเราเป็นไงมันก็ไม่นมนานอะไรเกิดมาคนละห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีอันนี้ถือว่าไม่นานอะไรเท่าไหร่นะ พ่ อ, อยังนึกทบทวนเบื้องหลังยังได้อยู่แล้วมันก็ทำรุดทุดชมแล้วนะสำหรับในสมัยปัจจุบันนี้นะคนผู้มีบุญมากบางสมัยเครื่องก็อายุยืนตั้งพันปีหมื่นปีหลายหมื่นปีก็มี ถึงแสนปี น, นก็มีอย่างนี้แต่และมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายแม้จะอายุยืนเท่าไหร่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเจ็บตายได้เหมือนกันต่างแต่ว่านานแก่นานเจ็บนานตายหน่อยนึงเท่านั้นเองเนี่ยเพราะพูดคนเหล่านั้นมีบุญมากบุญรักษาไว้ คนมีบุญน้อยนีย่อายุก็สั้น อ, อย่างงั้นแล้วก็ตายง่ายสำหรับปัจจุบันนี้นะอายุคนเรามันสั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นเห็นว่า ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยน้อยเดียวหนึ่งไม่ท น, นานอะไระดูอย่างคนทุกวันนี้นะอายุสิบเว็ดสิบสองปีสามารถแต่งงานได้แล้วนะผู้หญิงก็ถูกเขาฉุดไปคมขืนได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ถูกเขาฉุดไปตัวเองก็สมัครใจไปเป็นโสเภณี หาเงินใช้เปนคร่องดีไม่ต้องกำพ้นทนแดดสมัยคนที่มีอายุยืนแต่ก่อนนู้นขนาดอายุสิบเ็ดสิบสองปีไม่ทันรู้เรียนสาอะไรเลยสิบสามสิบสี่ปีก็ยังยังรู้ว่าตนเป็นเด็กอยู่นั่นแหละคนสมัยก่อนก่อนนู้นอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปีกันวิ ยังรู้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแลวต่อมาต่อมาอายุมันสั้นเข้าชั้งเข้าเอาแนะ่ะกิเลสมันก็หนาขึ้นไปดังนั้นในความคมการคมขึ้นพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายราคะตัณหาอันนี้ มันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรอ่ะอมันทําให้คนเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่ในทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเลยมนุษย์มันเลือดต้อนมันนั่นอยู่ในกระเพาะราคะความกําหนัดยินดีนในเนปุลเป็นมูลเหตุนะต่างคนต่างก็กําหนัดยินดีให้รูปเสียงกลิ่นรัดเครื่องสัมผัสต่างๆ ต่างคนก็แสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าในวันนี้โทสามก็เกิดไรในวันี้นะนั่นนี่เนี่ยนีว่าราคะนี่มันเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงจัดอันดับหนึ่งไว้เลยอืมราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะอืมเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดี ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าราคะนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงมันเป็นปัจจัยให้คนทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยบังเกิดโทสะพยาบาทก็ราคะนี่เองนะเป็นมูลเหตุนะต่องคิดไตรตรองดูให้ดี ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นโทษของราฆาตันหาผู้คล้องเลือนมันก็ถ้าผู้ชายกับไปทำเล่นชู้จากเมียหัว ผ, ผู้หญิงกไปเล่นชู้จากผัวเพราะว่าความกำลัง ย, ยินดีแนะ้วมันไม่มีลดลาวาศอกเลยฉะนั้นจึงเสแวงหา ความรักความใคร่อันนี้เลื่อยเปื่อยไปมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ช่างมันตายแล้วมันจะไปตกนรกกี่มั่วกี่หลุงก็แล้วแต่ราค่าตันหานี่มันทำให้คนมืดปวดจิตใจมืดพนอนตการจริงๆนะดังนั้นอย่าพากันชื่นชมยินดีกับราค่าตันหาอันนี้ ว่ามีรสชาติอร่อยดีไม่ใช่แล้วอร่อยจริงอยู่ถ้ามันแทรกอยู่ด้วยยาพิษเหมือนอย่างอาหารที่เขาเอายาพิษใส่กินเข้าไปทีแรกเคี้ยวเข้าไปมันก็มีรสอร่อยดีนะพอยาพิษมันออกพิษท่านี้ก็เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกเวทนา บางรายเขาแก้ไม่ตกกระตายกันอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดเวลากามทั้งหลายออมีเบื้องต้นนั้นก็มีรสอร่อยดีแต่ตอนปลายมีรสขมขืนนัออ่นก็เป็นเช่นนั้นถูถกต้องนะเวอลอายังหนุ่มแน่นออแต่งงานกันไป อะไรอะไรก็ดีมดเมื่อความรักก็ยังหวานฉ่ำอยู่แล้วนะยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเท่าไรนะท่านว่าอยู่ไปอยู่ได้ได้ลูกได้เต่ามาหลายผู้หลายคนก็มาแล้วเอาแล้วการนำมาหาเลี้ยงชีพก็ผุดเครื่องอหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าก็ไม่เพียงพอต่างคนก็โทษกันแล้ว โทษว่าไม่ขยันขันแข็งไม่ฉลาดเลี้ยงขอโกรัวไปไม่ได้ทะเละวิวาดกันอย่าร้างกันไปบางรายถึงกับฆ่ากันตายนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเนะี่ยเบื้องต้นมีรสอร่อยดีจังแต่ในตอนปลายมันคมขืม่น อืมเบงั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆเลยทีเดียวแต่ผู้ครองเลือนถ้าพิจารณาเห็นโทษของราฆาตัญหาอย่างว่านี่มันก็ห่อนหนักให้เป็นเบาลงไป มันก็ยินดีอยู่ในผัวในเมียของตนโดยเฉพาะไม่ไปยินดีกับหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของตัวเองมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่าไหร่พระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งแล้วแต่มันเป็นวัตตะอนแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษ มันก็ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่อีกในหนึ่งก็ถึงแม้ว่าไม่ล่วงประเวณีดังกล่าวแล้วนั้นยินดีในคู่ผัวคู่เมียอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กระตำลำบากหาเงินหาทองทำการทำงานกมพ้นทนแดบดบอาบเงื่อต่างน้ำ กว่าจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้มันแสนทุกข์แสนยากไม่ใช่น้อยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญนิพพานาเขต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้บรรเทา ราคะโทสะโมหะมานทิธิตั้งสเหล่านั้นให้น้อยเบาบางลงไปจา ก, ก จ, จิตใจถ้าไม่พิจารณาอย่างว่านี่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นความทุกข์ทางจิตใจนี่จะไม่บรรเทาลงเลย มันจะเป็นทุกข์เกือดร้อนอยู่นั้นเนี่ยก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าความทุกข์หรือว่าผู้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็ดวงกิจดวงเดียวนี้ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมันไม่ว่ามันสวยมันงามมันไม่ว่ามันขี้ร้ายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เกือดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่มีเลยก็ลองทําจิตให้สงบลงดูสิ น, นเมื่อจิตสงบลงไปมีปัญญารู้เท่ารู้แจ้งขันธ์หน้านี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไว้อย่างนจิตสงบตั้งมั่นอย่ลงนี้ไม่ร่างกายนี้มันจะแปลายปวนไปจิตไม่คิดไม่วิตกว่าเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้ จิตนั้นมีแต่ ก, กำหนดรู้ความแปรผันของรูปของนามอันนี้ไปเท่านั้นกำหนดรู้ว่ารูปนามนามนี้มันแปรปวนไปหาทางแตกดับกำหนดรู้อยู่นี้มันก็รูปนามอันนี้มันก็ไม่ว่าอะไรเมื่อจิตสงบลงแล้วมันก็ไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยอมีแต่มันแปรปวนไป ตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแต่จิตติสีมันไปวันไหวกับมันท่า น, นี้แหละสาคัญนะ่ะจิตไม่รู้เท่าจิตไม่หนักแน่นพอความอดทนไม่พอเมื่อร่างกายแปรปผนกระทบกระทั่งเข้าไปก็วันไหวไปตามมันวันไหวแล้วก็วิตกวิจารว่าเรา เจ็บตรงน้นปวดตรงนี้เรากำลังจะตายบ่แหล่หรือมีตายแลอะไรก็มีแต่เราแต่เขาทั้งนั้นเลยเมื่อมันระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเป็นทุกข์ใจเลยเราจะตายจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปแล้ว ถ้ามันวิตกวิจารอย่างนี้ในเวลาจวนเกณฑ์เข้าไปนั่นเนะ่ะมันก็ได้ชื่อว่ามันหอบเอาทุกติดตามไปด้วยลนะละโรคนี้ไป ส, สู่โลกหน้ามันก็จิตวิญญานี่ก็เล่รล่อนไปด้วยความทุกข์ความโศก ม, มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนะี่ยทุกคนอย่าพากันประมาท ใช่สมาธิปัญญานี่แพ้งให้มันเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรในธาตุีขันธ์หน้า น, นี่นะให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างงั้นให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มัน เสื่อมไปจา ก, กจิตอันนี้สำคัญมากอันนี้นะสำคัญไม่สำคัญยังไงแล้วเมื่อจิตเ ở, ผลอความรู้ความเห็นตามไ็นจริงไม่ปรากฏแล้วเช่นนี้มันก็วนไหวไปแล้วเป็นทุกข์แล้วแล้วก็สำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้ว เมื่อความสำคัญเกิดขึ้นอย่านันความทุกข์มันก็ตามมาถ้ารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้มันแปรปวนไปยังไงร่างกายนี้ก็มันก็สอนตัวเองได้ว่าไม่ใช่เราแปรปวนธาตุสี่ขัน่ามันแปรปวนไปดังหักธาตุสี่ขัน่ามันจะแตกแกระดับไม่พ้นแล้ว เหตุปัจจัยมันหมดลงอะไรมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกดับลงไปนี่การที่เรารักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะไว้ให้ได้แล้วก็จิตนีมันก็ไม่เป็นทุกข์ละไม่วุ่นวายมันก็บุญวายตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นเองก็คอยพากันเข้าใจอย่างนี้ อันมูลเหตุที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญสมถาอิปัสสนาก็มุ่งหมายเพื่อจะปึกกิจใีให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้เท่าทาสี่ันธหน้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นโดยอุปาทาน มันจะได้พ้นจากทุกข์จากภายในสงสารถ้าผู้ใดยังยังไม่ทำความเพียรอย่างนี้ยังมัวมมงประมาทอยู่เช่นนี้แล้วก็นานพ้นทุกข์แหละจิตใจนี่ก็มายึดขันหน้านี่เป็นที่อาศัยเข้าไปแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิด ในพบน้อยพบใหญ่อืมเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ก็เอา้าเกิดกระทบกระทั่งกันทะเลาะบอกแวงเบียดเบียนกันและกันก่อความวินาศที่ใส่แก่กันและกันก็ะแพ้นทุกข์อยู่อย่างนั้นแลอืมลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนะี้แหละบุคคลผู้ยึดเอา กิเลสเป็นพาหะพาหะท่องเที่ยวเกิดแก่จิบตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกชาติทุกครบให้สังเกตดูในชาติปัจจุบันนี้นะเป็นตัวอย่างอันพูดที่หนาแน่บริวกิเลสนะั้นเป็นทุกข์ขนาดไหนไอ้ทุกคนที่ผ่านชีวิตมานี่ เป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนเขามาเงี่ย่อมย่อ ม, มรู้ทั้งนั้นเลยว่ากิเลสมันทำพิษแก่ตนมาอย่างไรยังไรทบทวนดูแลรู้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะนันแหละแต่ว่ารู้แล้วมันไม่นออมอ้อมขโมยพิจารณาให้เห็นให้เห็นโทษให้เห็นภัยของกิเลสเหล่านั้น จิตใจมันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อเมื่อไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดเอากิเลสนั่นแหละเป็นผานะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เร่องมันนะดันั้นอย่าพากันหนิงนอนใจเราตกเป็นทาตของกิเลสตัณหามาี่มันนับชาติไม่ท่วนแล้วนะบางทีกิเลสตัณหาี่มันก็พายทำบาป ถ้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดื่มสุราเมลัยกัญชายาพินเฮโรอินถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆเลือ่อยไปโดยไ ม, ไม่ไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษอะไรก็เห็นล่วงแล้วก็เห็นเฉยๆยังไม่เห็นมีไม่เห็นว่ามีโทษ ให้เกิดความวิบัติทุกยากอะไรต่ออะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีผู้ร่วงวินัยก็ดีผู้ร่วงศีลของกระลึงหัดก็ดีก็เห็นดีๆอยู่ออันนี้แหละคนเรามันชะล่าใจเพราะอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ควรคิดควรพิจารณาให้มันเห็นก็เคยแสดง ให้ฟังกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะหมู่เนี้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็ชีวิตอันนี้มันบุญกุศลตกแต่งบุญกุศลที่ทำมาแต่อดีตชาติหนหลังนู้นทำมาตกแต่งแล้วมันก็ตามมารักษา ไว้อย่า ง, งไม่ยังไม่ให้มีอันเป็นไปก่อนอมแม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้กายวาจาอันนี้ไปทำชั่วหนักก็ดีเบา ก, าก็ดีมันก็ยังให้ผลไม่ได้แ ม, ม้จะทำชั่วย่างอุกฤอยังไรก็ตามอะไอบุญที่เขาทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษา ชีวิตตั้งกายสังขารเขาอยู่แม้เขาจะไปติดคุกติดตารางมันก็ยังไม่ตายอืมมันก็จะมีกําลังอยู่นั่นแหละเพราะบุญมันรักษายอยู่แต่บางคนถ้าหมดบุญแล้วไม่ได้ไปติดคุกติดละติดตารางก็ตายไปติดคุกติดตารางอยู่ก็ตายอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละ อันนี้นะควรรู้ควรเข้าใจไว้ไม่ควรจะไปเพ่งเลงไปว่าอ้าวคนนั้นนะทำบาปทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงนะมันก็ยังอยู่สบายสบายอยู่ไม่เห็นว่าเขาทุกข์ร้อนอะไรบางคนว่าทำดีเอาซกเต็มที่เลยอย่างนี้ ความดีนั้นไม่เห็นมันสนองอะไรเคยยากจนมางไหนก็ยากจนอยู่นั้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหนก็เจ็บอยู่นั้นไม่เห็นศีลธรรมเหล่านี้มันช่วยให้หายเจ็บหายป่วยใ ห, ให้ให้ร่าให้รวยต่างๆได้เลยนี่ความคิดความเห็นอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอันนี้นะดังนั้นให้เข้าใจ ไว้ดังที่แสดงมาแล้วนั่นเองนอบุญและบาปนี่มันย่อมให้ผลตามการตามเวลาเหมือนอย่างผลหมากผลลำไม้ต่างๆมันก็สุขเป็นการเป็นเวลาไม่ถึงเวลามันสุขมันก็ไม่สุขไม่ถึงเวลามันล่วงหล่นมันก็ไม่ล่วงหล่นลงจากต้นธรรมชาติต่างๆมันมี อาศัยการเวลาเหมือนกันนะนั่นแหละไอ้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญเก่าที่เขาทํามาแต่ก่อนมันรักษาเขาอยู่ถ้าบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีอะไรที่เขาทํำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลได้เลยแบบนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรามีหิรีโอตปะละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ไม่ทำเพราะว่าเกิดโอตปะคือความสะดุ้งหวากรัวต่อ กรรมชั่วที่ตนทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภายหลังก็ให้พึ่งเข้าใจให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอเสม อ, อมคุณธรรมเหล่านี้เร า, เราจะเรมากมากๆเข้าไปความรู้ความเห็นอย่างว่านี้มันก็สูงขึ้นอืม เกิดความกลัวกลัวต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เพราะมันเป็นทุกข์หลายเกิดมาแล้วนะนั่นนเกิดมาแล้วต้องมาสเสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้ ไปเลยเรือไปการแสวงหาปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเราเนี่นะ่ะแสวงหาด้วยความยากความลำบากจริงๆไม่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบุญกุศลมากๆแล้วในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บุญกุศลอันนี้ก็ไปตกแต่ง วิมานให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปตกแต่งอาหารให้ได้อยู่ได้กินสบายไม่ต้องหุงไม่ต้องต้ม อ, อะไรเลยอเมื่อหิวหิวนึกถึงอาหารเขาเอาอาหารก็มาปรากฏให้ได้รับประทานเท่านั้นเองอันนั้นเรียกว่าเป็นผลบุญที่คนทําแล้วแต่ในโลกนี้ มันติดตามไปอำนวยผลให้แต่โลกมนุษย์นี่มีบุญอยู่แต่ว่าบุญที่ทำนะมันไม่มากพอไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ไม่ต้องกากกำลำบากอะไรเหมือนบางคนบางคนที่เขาทำบุญกุศลมาถึงหนมาก เขาละเว้นความชั่วบาปกรรมทั้งหลายมาแต่ก่อนแต่ว่าบุญเขาก็ยังไม่เต็มก็ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วบุ ญ, บญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคได้มาอย่างง่าย สมบูรณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยโอทโ้องสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามยุคตามสมัยเช่นสมัยนี้เขาต้องการอยากไปที่ไหนรวดเร็วก็นั่งเครื่องบินไปอ่าถ้าผู้ที่ไม่มีความสามารถจะนั่งเครื่องบินอย่างนั้นได้ก็เอาหารถหารามานั่ง หาวิงไปสู่ที่ที่หมายปลายทางไกลเท่าไรมันก็ไปถึงได้ไปถึงเร็วกว่าเดินตั้งหลายร้อยเท่ากว่าเดียวแล้ว อ, อันนี้มันเป็นผลบุญกุศลที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยให้แต่ก็อย่างว่านั้นแหละคนเราเมื่อได้เสวยผลบุญ ที่ตนทำมาแต่ก่อนอย่แล้วก็ลืมตัวบันนี้นึกว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนึกว่าตนจะได้สุขอย่างนี้เรื่อยไปก็เลยมัวเมาเข้าไปอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนาวิสาขาพูดกับพ่อผัวนันนะพ่อผัวรับประทานอาหารอยู่พระมายืนอยู่หน้าบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเลย นามิสาขาทนไม่ไหวก็เลยพูดกับพระว่าขอนีมนพระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเวลานี้พ่อผัวของนิฉันกำลังบริภกของเกาอยหมายความว่าพ่อผัวนั่นกำลังเสวยผลบุญที่เพื่อนทํามาแต่ก่อน เพื่อนหลงเพื่อนเมาอยู่ในผลบุญของเก่าเพื่อนเพื่อนไม่นึกนึกไม่เห็นว่าบุญที่อำนวยผล น, น, นี่มันหมดเป็นนึกไม่ได้นึกว่ามันหมดไม่เป็นก็เลยไม่ได้คิดเสียใจทำบุญสืบอตอ่อความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นถึงได้บริโภคแต่ผลบุญ ของเก่าอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะคันเมื่อตายลงแล้วก็ไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะนำดวงกิจนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปสำหรับผู้ที่ท่องท่องเทียวอยู่ในมัตตทรสงสารอันนี้นะ มันจาเป็นต้องได้สะสมสเสบียงกลางคือบุญกุศลติดตัวไปก็จึงไม่ลำบากจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมีบุญสะอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากมก็มีความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้ แต่ว่าบุญเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนเน่แต่ไม่เที่ยงก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้บุญส่วนที่มันเที่ยงมันมีอยู่ให้เข้าใจไอ้ตัวบุญทแท้ๆก็คือตัวจิตเมื่อเราทำความดีเข้าไว้เท่าไหร่ไอ้ความดีกับบุญนี่แหะชาละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ เมื่อกิเลสหมดไปเท่าไหรจิตที่มันก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่นเข้าไปไม่หวั่นไหวต่วคอความชั่วต่างๆในโลกนี้ อ, อต้องเข้าใจอย่างนี้อันบุญกุศลนี่มันไม่เที่ยงจริงนะ่ะอุปมาเหมือนอย่างยารักษาโรคนี่แหละเมื่อหมอพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนี้ คนรจะกินยาอย่างนี้หมอจะปรุงยานั้นให้คนป่วยกินลงไปยานั้นมันก็ไปขจัดโรคในกายของคู้นั้นให้ระ ง, งับหายไปเมื่อหากว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วยามันก็หมดไปตามกันแต่ร่างกายของผู้นั้นก็ สดใสขึ้นมีกำลังวางชาดีขึ้นแต่โรคกับยานั่นหายไปหมดไปพร้อมกันเลยนม่ต้องให้เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยกิเลสปาปรธรรมที่มีอยู่ในจิตใจมาแต่อเ น, นกชาตเมื่อผู้ใดสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะกาจัด กิเลสบาปธรรมนั่นให้ออกไปจากขิตใจของผู้นั้นมีบุญมีกุศลมากเท่าไรกิเลสมันก็บำวางไว้เท่านั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสร้างบุญกุศลอย่างเต็มไม่ได้ในชาตินี้มันหมดหมดอายุลงไปเสียก่อนอ้าว จิที่บริสุทธิ์ผุดภ่องจากบาปจากโทษ ต, ต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นกุศลอันสูงส่งกุศลอันนี้ก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยราบยศ ส, สรเสริญมีอายุยั่งยืนนานมีวันณะผิวพันผุดผ่อง มีความสุขกายสบายใจปาศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สมบัติกำลังยศอะไรปรากฏอยู่มากมายกายกองอันนี้แหละกระโขยพายเข้าใจถูกต้อง ตัวจิตนี่แหละเป็นตัวกุศลนะเมื่อบุญกุศลที่ทำมามันกำจัดกิเลสนี่ออกไปแล้วจิตนี่ก็เป็นแก่นสารขึ้นมาให้วันไหวอเป็นงันเรื่องมันนะ